การบําเพ็ญสมาธินั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทําลายกิเลสแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นหรือหรือว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นด้วยพุทธดํารัดตอบดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลายสมาธิภาวนามีอยู่สี่ประการคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วเพิ่มภูมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดแจ้งด้วยหาณหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความหมดสิ้นแห่งอาสวะหนึ่ง